สองสามเก้าโอ้เอ่อพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายน้ำแก่ท่านไม่ได้ดอกท่านเป็นวันนะกรัตรส่วนข้าพเจ้านั้นเป็นเพียงนางทาสีท่านไม่ควรจะรับน้ำจัดมือของคนวันนะต่ำเช่นข้าพเจ้าเลย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 ที่ได้ฟังเสียงของท่านและได้เห็นท่านนับเป็นบุญเประเสดของข้าพเจ้ายิ่งแล้วอาตมาจะต้องเดินทางต่อไปแล้วขอให้น้องหญิงจงมีความสุขและสวัสดีเถิดกล่าวจบพระอานุนก็ลานางทาสีแล้วจึงมุ่งหน้าต่อไปยังวัดเชตวัน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 เธอชอบความทุกข์หรือเขาพระเจ้าไม่ได้ชอบความทุกข์เลยพระคุณเจ้าเพราะความทุกข์นั้นใครๆก็ไม่ชอบแต่เขาพระเจ้าชอบมีความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักเช่นนี้ดังที่เขาพระเจ้ามีต่อพระคุณเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไรน้องหญิงในเมื่อทำเหตุก็ต้องได้รับผล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 ทรงสะดับเสียงทถีนงกันระหว่างพระอานุนกับสตรีจรึงตรัสถามมาจากภายในพระคันธกุฎีว่านั่นเสียงโตเถียงเรื่องอะไรกันหรืออานุนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้หญิงพระเจ้าข่าเขาจะตามข้าพระองค์เข้ามายัางวิหารให้เขาเข้ามาเถอะพามานี่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 รักจมูกอันโด่งงามของพระ อ, อนนท์แทนได้เจ้าค่ะพักคินีจมูกนั้นประกอบด้วยกระดูกอ่อนที่มีโพรงภายในมีน้ำมูกและเส้นขนกับของโโครกมีกลิ่นเหม็นเป็นก้อนๆ อ, อย่างนี้เธอยังจะรักอยู่อีกหรือไม่ว่านางโกกิลาจะตอบเลี่ยงไปอย่างไรพระพุทธอุม์ ก็ทรงชี้แจงให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายอันส ก, กรปรกเปื่อยเน่านี้ในที่สุดนางก็นั่งก้มหน้านิ่งด้วยจนต่อเหตุและผลพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพคินเอ๋ยอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของสกปรกโสโครก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 นางก็ไม่ลืมที่จะชําเลืองมองพระอานนุนด้วยความเสน่หา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 ตลอดคืนทั้งน้อยใจเสียใจและเจ็บใจในตนเองพระอานอนหรือก็ช่างใจไม้ใรกระกำจะเห็นแก่ความรักของเราบ้างหรือก็ไม่มีเลย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 ที่ร้องไห้ปลุกท่านจนตื่นตอนนี้ข้าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะอย่าลืมเจริญเนตตาก่อนนอนนะโกกีลาข้าไปนอนก่อนนะเมื่อภิกษุณีสุนิตรากลับไปแล้วภิกษุณีโกกีลาก็นอนคิดถึงชีวิตของตัวอยู่คนเดียวงิ่เงียบ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 จนควบคุมตัวเองไม่ได้นะ่ะใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละกะกีลาดีใจที่จะได้ฟังธรรมกถาอันลึกซึ้งและได้ฟังมัุระาสิทธิ์ของพระมหาเถระทั้งพระสารีบุตรพระมหากระสปะหรือพระอนนตะ์น่ะและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึง พระศาสดามีพระภิกษุสงอรหันต์มู่ใหญ่เวทล้อมเสด็จถึงกรุงโกสัมพีพระราชาธิบดีอุเทนเสนาอัมมาศพ่อค้าประชาชนนับแสนอีกทั้งสมณะพรามนาจารถวายการต้อนรับอย่างมโหฬารยิ่งดอกไม้หลากสี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 จึงเป็นเหตุให้นางป่วยไข้อณิจจากกีลาเธอรักเราเราหรือจะไม่รู้แต่เธอมาหลงรักคนที่ไม่มีหัวใจจะรักเสียแล้วด้วยความเนตตาแก่นางพระอานุนก็มาเยี่ยมนางพร้อมกับพระรูปหนึ่งที่เป็นปัจชาสมณนะ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 พึงละทุกสิ่งเพื่อรักษาธรรมระหว่างที่พระอานุนเทศนาโปรดภิกษุณีโกกิลาไปท่านก็เหลือบมองดูอาการแห่งนางไปเมื่อท่านเห็นว่านางนิ่งฟังอยู่นม่ได้มีท่าทีต่อต้านท่านก็กล่าวต่อไป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 พิษุีโกโกีลาจึงกล่าวออกมาข้าแต่พระคุณเจ้าข้าจะพยายามกล้มกลืนฝืนใจปฏิบัติ ต, ตามโอาวาทของท่านแม้จะเป็นความทรมานสักปานใดข้าพระเจ้าก็จะอดทนและขอเธอทูลพระอนุชาวไว้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 การที่น้องหญิงจะรักอาตมาหรืออาตมาจะรักเธออย่างสเสน่หาอาไลานั้นและเรียกว่าความรักอันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดหรือไม่เหมาะสมขอให้เธอตัดความรักความอาไลาเสียเถิดแล้วเธอจะพบความสุขความปลอดโปร่องอีกแบบหนึ่งซึ่งสูงกว่าประณีตกว่า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 ณเย็นวันนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากพระคันธกุฎีสู่ธรรมสภาซึ่งมีพุทธบริษัททั้งหลายแห่งนครโกสัมพีประชุมกันอยู่อย่างพร่างพร้อมพระพุทธองค์ทรงส่งข่ายแห่งพระญาณของพระองค์เพื่อสำรวจดูพุทธบริษัท